พระไตรปิฎกฉบับประชาชนพัะไตรปิฎกเล่มห้าหมวดที่สามกะถินคันตะกะหมวดว่าด้วยกะถินภิกษุชาวเมืองปาถาสามสิบรูปซึ่งเป็นผู้ถือการอยู่ป่าการเที่ยวบินธบานุ่งห่มผ้าบางสุคุลคือผ้าเก็บตกมาปฏติดปะต่อทำเป็นจีวรและใช้จีวรสามผืนไม่เกินกว่านั้นเป็นวัด เดินทางจะมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถึงเมืองสาเกตถึงวันเข้าพรรษาต้องจำใจจำพรรษาอยู่ในเมืองสาเกตมีความระลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาออกพรรษาแล้วจึงมาเฝ้าทั้งที่จีวรเปียกน้ำฝนและต้องเดินทางลุยน้ำลุยคโคลนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประรบเหตุนั้นจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้จาพรรษา แล้วกรานกรถินได้กรานกรถินคือลาดไม้สดึงหรือไม้แบบลงไปเอาผ้าทา้าบตัดผ้าตามไม้แบบนั้นแล้วช่วยกันทําจีวรแจกแก่ภิกษุผู้สมควรอานิสงฆ์ห้าของภิกษุผู้ได้กรานกรถินทรงแสดงอานิสงฆ์ห้าสำหรับภิกษุผู้ได้กรานกรถินคือหนึ่ง ไปไหนไม่ต้องบอกลาภิกษุอื่นตามความในสิกขาบทที่6อาเจละกะวคปาจิตติยะกัน2ไปไหนไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบสรับตามสิกขาบทที่สองจีวรวักนิสักขิยกัน3ฉันอาหารรวมกลุ่มกันได้ตามสิกขาบทที่สองโชนาวะปาจิตติยะกัน4 เก็บจีวรไว้ได้หลายตัวตามต้องการโดยไม่ต้องวิกับคือทำให้เป็นสองเจ้าของตามสิกขาบทที่หนึ่งจีวรวัดนิสคิยกันและหผ้าที่เกิดขึ้นในวัดนั้นเป็นของเธอคือเธอมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งภิกษุเขตอื่นมาก็ไม่มีสิทธิ์ทรงอนุญาตให้สวดประกาศกฐิน ทรงอนุ ญ, ญาตให้สวดประกาศมอบผ้ากรถิ่นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นการสงโดยตั้งยัติหนึ่งครั้งสวดประกาศขอความเห็นชอบหนึ่งครั้งรวมเรียกว่ายัติทุติยกรรมทรงแสดงเรื่องกรถินเป็นอันกรานและไม่เป็นอันกรานทรงแสดงว่ากรถิ่นไม่เป็นอันกรานด้วยเพียงสักว่าขีด ประมาณซักผ้ากะผ้าตัดผ้าเย็บเนาเย็บล้มตะเข็บเป็นต้นรวมทั้งไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิตคือพูดให้เขาใช้ผ้านั้นๆเป็นผ้ากระถินและด้วยผ้าที่เรียบเคียงให้เขาถวายเป็นผ้ากระถินซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆภิกษุผู้ไม่รู้วินัยข้อนี้จักชวนชาวบ้าน หรือพูดเลียบเคียงให้เขาทอดกฐถินในวัดของตนกรถิ่นนั้นก็ไม่เป็นกฐถินคือเป็นโมฆะไม่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ถวายผู้รับข้อนี้ควรช่วยกันรับรู้ไว้ด้วยแล้วส่งแสดงว่ากฐถินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่ผ้าเทียมใหม่ผ้าเก่าเป็นต้นรวมทั้งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระวินัยอีกหลายประการ ข้อกำหนดในการเดาะกระถินทรงแสดงมาติกาคือแม่บทหรือข้อกำหนดในการเดาะกะถินคือเลิกหรือรื้อไม้สะดึงออกได้รวม8ประการคือ 1. เดินทางไปที่อื่นไม่คิดจะกลับมา 2. ทำจีวรเสร็จแล้ว 3. ตั้งใจเลิกเรื่องการทำจีวรส จีวรที่กําลังทําอยู่ทำเสียหรือหายเสีย 5. ด้วยได้ยินข่าวคือเธอจากไปด้วยคิดจะกลับมาอีกแต่ได้ยินข่าวว่าในวัดที่เธออยู่เขาเลิกทำกันแล้ว 6. ด้วยหมดหวังคือหวังว่าจะได้จีวรแต่ก็ได้สมหวัง 7. อยู่นอกเขตสีมาคือคิดจะกลับมาที่วัดนั้น จนหมดสมัยของกะถินและ 8. เลิกกะถินพร้อมกับภิกษุทั้งหลายคือเมื่อพ้นกําหนดก็เป็นอันเลิกกระถินร่วมกันต่อจากนี้เป็นคำอธิบายมาติกาทั้ง8โดยพิสดารในตอนท้ายได้สรุปเกี่ยวด้วยปริโอตคือความหมายใจหรือห่วงใยสองประการคืออาวาสปริโอตความห่วงใยด้วยวัด คือตั้งใจจะกลับมาที่วัดกับจีวอนปริโโคธความห่วงใยด้วยจีวอนคือหมายใจจะทำจีวอนภายในกำหนดถ้าหมดปริโโคธก็เป็นอันเลิกกระิน